สามสิบสองหม่อมาชันหกองเมื่อนี่ครบอาการสามสิบสองรสามสิบสองรูปผาในวัดเท่าไปเที่ยววิเวกก็มิ่ไปทำบุญหาแม่ก็มิม่เยี่ยมแม่ป่วยก็มิ่โอ้เมื่อนี่เป็นหลืกสันวันดี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 งานศศโรกงานคนตายเนี่ยเหมือนเศร้ามากกว่า น, นี่เอาจังเอาอาหารมาถวายพระในวัดนี่แหละคนว่าเอามาฉันพร้อมนาพร้อมตากันมันจะได้บุญหลายตัวหลวงตาว่าใช้ฉันทั้งสองสามสี่องค์อ่ะเอามาสันเถอะพระยี่สิบสามสิบสี่สิบองค์เนี่ยที่ท บ, ททบุญที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งผู้ใดกันน้อมําลึกทำไมในใจทําบุญอุทิศส่วนกุศลพอแม่ปูยานตายง่าย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 เออมันยากอยู่เลยเป็นกานขอให้พววเข้าศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนะ่ที่บอกให้ฟังเนะี่ยเป็นแนวความคิดของพัวเห้าทั้งหลายให้สางบุญสางกุศลจะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวเห้ามาถึงขนาดนี้แล้วสักปีแล้วให้ยกตัวอย่างของหลวงพ่ออินเนี่ยนะอีกกี่ปีกะเจ็ดสิบเด้ปีนี้ก็หกสิบกะเดือนเมษายนนี่ย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 บุญกุศลนั้นมันเข่าสู้ใจของเฮ้าเนี่ยคล้ายๆเขาว่าใจของเฮ้าคือน้ามัทธรรมที่มองเรเห็นโดยตาเนื้ออแต่ว่าบุญกุศลหนึ่งใจของเฮ้านี่ยเป็นตูเซเอพตูเสพเก็บบุญเก็บบาปรับบุญรับบาปไปในในหันขันว่าเฮ้าเฮ็ดบุญบุญกัไหลเข่าสู้ใจของเฮ้าขันว่าเฮ้าเฮ็ดบาปบาปกับสู้ใจของเฮ้าใจก็คือ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 ไ ป, ไปนอนผีปัสสาวะอะไร์เราเป็นเป็ยันยานผีมานะผีเนี่ยก็คื้อย่างก็คือวิญญาณออกจากล่างไปนั่นแหะมันพอตายแล้วมันบอสูญตัวพ่อตายออกไปแล้ววิญญาณคือออกจากล่างเอาวิญญาณทั้งมีดทั้งยาแย่เป็นอย่างมันยังบอเห็นพระพุทธเจ้าบนว่าแต่ละวิญญาณมันเป็นขืนของภัยของมันคือขืนวิทยุเนี่ยเอ็เอ็มเนี่เอ็มมันขืนมันมากแต่กันขืนตัวไหมัน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 ลงพออินก็บโบหุจักคือกันแต่ละคนคืดเรืองอย่างลุงพออินบอดพเสื้อพอเสือ้อพอเสืออเส้ออยู่ก็มีว่วนลไปลุงพออินเออแมนแมนแมนแลงุงข้อหลวงพออินบอดเนี่ยแมนแมนเออฟังอยู่เนเอยจังสี่ก็มี่แต่ลุงพอกับโบหุจักคือกันว่าเขาคืดจังใด น, นั่นแหละอันนี้คือใจของเข้าแต่ละคนนี่อมันมีอยู่แต่ว่ามันบหุ่นจักแต่พระพุทธเจ้าบนหูวได้บาด เพิ่นมียากนัศนาเคยข่าวว่าเพิ่นเป็นนางพาวนาเกียตของเพิ่นเขาสู้ความสงบแล้วก็ฮู้เลยบาดว่วใจของฮ้อนผู้นันคิดยังไงยังพระอนุรุธทานแห่งหูจักมดว่าใจของผู้ใดคิดยังงเออคำมันเพิ่นขุดจึงสั่นขันเพิ่นหูจักสังนมัดขุนเน่าเนี่ยเพิ่นที่เป็นยังไหลงพอว่าพระหารในเพิ่นขึ้นจีบบึงอยู่ตลอดลงพอวะเออบางทีปักจิหุบไวขึ้นกัน่ะ ขั้นเปิเปเปป้เปิดไปอยู่ตลอดเบิงอยู่ตลอดคือเพิลก็คือสีหากออกลงไปเออเพินเห็นมนุษย์เพินันคิดจังที่เพนีคิดงสันพ น, น, น, น, น, นั้นคือซีทับสวนวุ่นไหวขนาดว่าลงไปเออเพิลสีหุบไเปเพินอยากเบิงพลแต่เพิยังมืนตาเบิงไปเออพอเบิงพลแะไรก็เพิลกรดตาไหวแค่ขั้นสีเบิงทุกวิญญาณทุกแนวความคิดเนี่ยเรื่องใจของมนุษย์นี่คือสีงุงเยิงวุ่นไหวนี่แหละอันนี้ก็คือว่า จุตูปปญญาปาทะยานการจุดติของสปปรพสัตวแนวความคิดของสัตว์เอแล้วโอเพเนี่ยว่าสานุสติญาณเนี่ยคือการเกิดการตายอาพวกเขาเนี่ตายแล้วพ้นศูนย์เพราะพุทธเจ้าว่าคู่บ่ายจานล้มปูหลงตาเฮาก็เถอดตั้งแต่หลงปูหมันหลงปูเสาหลงตามหาบัวเนี่ยหลงปูหลาเนี่ยคู่บ่ายจานพวกเขาเนี่ยืนจานนำการมัด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 เอที่แรกกผู้ผัวผู้ท่ายเนี่ยเป็นคนมีตะกูลไปแต่งงานไปแต่งงานกับผู้ยิ่งปันได้มากพระบอมีลูกเป็นแม่หมันเป็นหมันบาดฮะเนี้ทั้งตะกูลผู้ส่ายเนี่ยบอกโอ้ยขั้นเป็นหมันี่สก็ตตองหาเมียไม่หาอเพื่อจะได้ลูกมาสืบตะลูลทั้งเมียไม่เนี่ยกะ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 บา้านี่ก็แต่งยาให้แล้วบ้านี่ไปศึกษาเรื่องยาแนวไดกินเข้าไปแล้วมันจะลุกลูกกันไปมันจะแทงลูกน่ะพ่อคืนมากก็ให้กินมันไปกินอีนางเนี่ก็แทงลูกนะเอ๊ะพอต่อมาอีกพ่อตั้งขั้นขึ้นมาอีกเอ๊ะบอกกับอกให้แม่ยายอีกอแม่ยา่ก็แต่งยาให้อีกกินอีกแทงอีกพ่อเถือที่สามเลยบ้นอีนางเนี่ก็ลไปเว่าวให้ไถ่บ้านฟังโอ้คอยบอกให้แม่ยายแม่ใหญ่ให คอยยาคอยกินคอยก็เลยแทงลูกทางผัวบอกให้งอเถืมึงเหนี่วท่านบแมแแม่ใหญ่แตงยายเมึงกินเนี่ยมันแทงลูกบอกว่าท่นมึ่งจะไปบอกแม่บัตรเหนียวท่านเออมาในอีน้างเนี่ยก็เลยต่างขั้นคือเธอที่สามบอบอกบ้านพ่อบ อ, บ อ, บ, อ, บ, อบอกเนี่ยก็ท่องใหญ่ถึงหาหกเดือนได้บ้านีเออจนแม่ใหญ่เห็นเออแม่ใหญ่เห็นพิษปกติอ่ะมันท่องใหญ่เอ้เป็นยัง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 อันนี้สมัยนั้นเหมือนบ่มีเครื่องพาตัดอย่างที่ตายลูกตายอยู่ในทองกับแม่ก็ตายน้่มแหละพอลูกตายแม่ก็ตายนั่แต่ก้อนสีตายในบ้านเนี่ยผูกพยาบาทอาฆาตได้ะเนี่ออนึกในใจขึ้นมาเน่ะสาธุนะก่อนข่อยซิม่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็แม่แม่ใหญ่เป็นผูกไปขอข่อยมาบา้านในมาเลยก็มา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 เออในบ้านหลังนั้นมันมันห่วงบ้านอยู่ด้เออมันบอดไอ้เครียดให้ผู้อื่นถ้ามันเครียดให้เม่์ไนย์ห่อยทิ้งบอดไอ้เครียดให้ผัวทั้งผู้ผัวเนี่ก็เป็นเป็นอย่างมันยังเป็ดนึ่งที่เมียหน้อยก็บอก่อยฟังก่อนมื่อทตายโอ้ยคอยที่ตายเข้าเนี่ยเมย์ไนย์เน่ ย, ยแตงยาให้คอยกินนั่นเองบาดหาแล้วผัวเกิดพ่อเมียหน้อยตายมาเกิคือทอดเมียตัวมีลูกอยู่ในท้องอีกก็ถามให้เจ้าผ่วเป็นผู้แตงยาให้เมียหน่อย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 เพราะไปเสือแมย์ใหญ่เกิดเป็นเสือไอ้นี่ไปเกิดเป็นง่วงนั่นแหละมันเป็ี่นกังจันได้เวทนยมันลมันละงับโปเป็ีนได้ในว่าวิญญาณในว่าวิญญาณพราะพู้ใดจะเอาปัญหุจักวิถีวิญญาณการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะไปเกิดกินลวกมันเลยกินแม่พอในสุดมาเกิดเป็นคนบ้านนี่ยอมื่อเกิดเป็นคนผู้นึงเป็นหยักผู้นึงเป็นคนบ้านี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 พ ว, พวกผีเนี่เขาวัดบไรบัพอเหตุไดพรเทวดาเดชเทวดาอารักษ์เนี่ยเทวดาที่มีศักย์ใหญ่รักษาประตูอยู่พวกหยักพวก น, นรักษาประตูะผนนีท้านันเขามากกเงือกเธอเลอร์น่ยเขาบวไรแห้งญาญเด้งแหงเขาไปบวไรอินเอ็นย่างนี่ก็แลนเขาไปกับกัพกาบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอีหยังมาจันน็เลยบอกให้ฟังผีปอบกินลูก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 บาปุ่นคุ้นโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเกิดมาชาตินี้ก็จะขั้นผูดใดอยากติดคุกก็บุ่นยากไปขายยาบายามาเลยไปป่นไปไปลักไปขโมยไปเฮ็ดบุดีท่านนั้นแ่ะเขาก็จับเขาคุกหลวนเนี่ยเฮ็ดสวมก็ต้องได้่วนเฮ็ดดีเลยเฮ็ดดีอย่างพวกเข้ามาทำบุ่นทำท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมีเมตตาต่อกัน